ฟังเทศทำความสงบทําความสงบจะก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรวะงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรทางเราีปัญหาถามมันหาได้ยินเนือเนะี่ยมันไม่สงบกลมที่หรอกมันไม่ถึงกับนายจนกระทัง่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเค่ิีงจะได้ค่อยได้กวามพุทธศาสนาอันนี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงเงื่อนง่ายสติสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นเนี่ยยนติคืองดเว้นจากโทษนั้นนี่ว่าจิ่งสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นเนี่ย ส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัทมีปมไปงอไปจึงสว่างกว้างออกไปมันัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เด่งเสียบมันไม่เด่งลัทมีมันออกไปน อ, นอกๆเพราะมันเต่าหมองไปเห็นสิ่ ง, งต่าง ไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้งใจให้เหลือดร้อนถ้าไม่ทำํำคนสงบไปเท น, นศัสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกำว่าฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจ อ, อสอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนานยังสอนถึงใจ ไม่ใช่แต่กรรมาฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนถึงใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญอันหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอันตรงไนตรงกลางอันตรงนั่นอนะ่ะตรงใจนั่นแหละมันออกไปจากจุดอันนั้นแนะ่ะ เหมือนกันกับว่าเราอ่าทำการทำงานอะไรต้องมีความผสมอันหนึง่งมุ่งหมายอันนึงจงค่อยทำจึงค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างค่าศึกเราเจียกว่าเรามาไปจนค่าศึกเดี๋ยวนี้แล้วต่อสู้กับข้าศึกของเราที่มันล้มลอม จนน่อยู่ทุกเมื่อเั่งตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิฝึกแปลว่าติดเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์ันเดียวอารมณ์ันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มัน สู่อารมณ์อันเดียวเรเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปน่าอารมณ์ต่างอย่างเราพิจารณากายขตา่าพิจารณากายนั่นน่ยแยกแยะตายนั้นออกไปเป็นธาตุสี่น้าไปลมแยกแยกออกไปนั่นเสรอาการฐานที่สองนี่แหละก็ทั้งมาเป็นธาตุสีน้ำไปลมเรียกว่าอารมณ์อันเดียว คือมันอยู่ในกายไม่ออกจากนอกกายมันต้องตั้งหลักตรงนั้นอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดถึงเรื่องพวกมาเสียบมันก็สงครามเราไปจนต่อสู้อย่นี้เรียกว่าสงครามพูดที่เออ่าจึก อการทำสงครามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอหลบพบขันบริบูณทุกสิ่งทุกประการค่ายคูนั่นหมายความว่ามีกำแพงอันหนึ่งท่านต่อไปเรียกว่าคูน้าคูน้ำกับปว้วงก็ต้องข่วนในล า, าวสี่หวาเรียกว่าคูน้ําแล้วก็มีอีกอเป็นถนน อันน้ยกวาไ ม, ไม่ไม่ได้สูครูนะครูเตี้ยๆแล้วตอนมีนอี ก, กอคูนั่งอีกตอนหนึ่งครูเล็กๆขาวนี่แ้วไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียก ว, ว่าใหาค้ครูประตูในประตูนั้นอย่างประตูชิมคนที่เราเห็นอยู่เขาลาดแต่เขาทำลายหมดแล้วเพื่อจะทําวง ล, อ ล, อลอ้อมรอบวงก้วงออกไปประตูนะ่ะ มีกำแพงล้อมรอบเวลาข่าศึกสโตเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะ ต, ต่อสู้เขามันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆขึ้นบนกำแพงนะยิงปืนไปใส่พวกข่าศึกข่าศึกนั่นซึ่งจะ เข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้าไปคูตามสองแห่งแล้วก็คันคัวหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่อาตุจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแล้วก็ยิงก็ไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกกับถูกก็งพวกอยู่ภายในอันนี้เนี่ย ว, ว่าค่ายคูกระตูหอหลบ ในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีใครผู้ประดู ง, งรถครบวัิบุญอย่างนั้นแล้วยากนักที่ค่าศึกจะบุกไม่แตกสลายเพราะเหตุใด เ, เมื่อออกไปจนค่าศึกนั้นจะต้องสะสมคำหลังมาเพียงขอเท่าก่อนอยู่ภายใน กำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยตรับทั้งสัอดอาวุธกระเบียงอาคบริบู์แล้วออกต่อสู่คื้นออกนอกกำแพงต่อู่คารสุดค้นหากว่ากำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยรับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ท้ากูประตูหอบรักษาเอาให้ดีอย่างนี้เรียกว่า ฆ่าสึกทำลายไม่ได้ท่านพุทธมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนฆ่าสึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีคลายปูประตูหอหลบถ้าหากว่ามีกำลังเลี่ยงคอ เ็ายังค่อยต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานันอาทิตยีเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก่สู้ด้วยอาการเหนื่ยสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้มันคงโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอ ทั้อย่างได้ไม่พอนั่นได้มาทําไมได้มันกืมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไ完้ไมันจะเป็นอะไรต่อไปไม่อยากต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอเป็นดินน้าไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลาย ก็อาดินน้ำแปรลมมาบั้มุงดิน น, น้ำแปรลมแล้นี้มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำแปรลมเท่าเก่าก่อนวางบั้มุงมันก็เป็นดิน น, น, ดน้ำแปรลมอันนี้ก็ตัวดิน น, น้ำแปรลมมันก็ไม่เห็นเงนียมันโกรธเรืการนี้มัน โ, นโกรธอะไรโกรคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจพรคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องสายต้องสลาย มันไม่ไม่มีอะไรกันแค่โกรธแ่เฉยโกรธก็ไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนิจังทุกขังน่าตากทั้งหมดของมันมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันจะเรามันหลงหลงโมมาประมาทมันจะเย่างนันกัน อันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำลุบทำให้จิตเอาพุ่งเฟ้อสงสัยไปด้วยะการต่างๆมันจะสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ ถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นธรรมดาเขาเลยก็ยกยกตระเวนปวดปนไปไม่อยู่คงที่จิตใจก็กำเริุ่งพุ่สซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่กรนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าไอ พระชนโลกธาตมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพง <c oughs> เมื่อมีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป <c oughs> ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงท้าวอนและไม่ต้อง เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวมอือล่ะไม่ต้องอยากได้นู่นอยากทั่นี้อยากเป็นน่นเป็นนี้อันนั้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมันยังไงเด็ดตั้งมันลงให้แน่แ น, แน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมันให้แน่วแน่ให้เต็มที่แค่ก่อนเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันไม่ค่อยเกิดเองหรอกคือจิตใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่จะมาพูด่ะ จิตคือคู่คิดคู่นึกคุณออกไปจากใจใจดังนั้นไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปทรงส่ายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่สิ้นสุดเหตุ น, นั้นยังไงให้ย้อนกลับคืนมาหาใจคือตัวกลางวางเฉยอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สมบ ได้ <c oughs> สงบชั่วคราวาในขณะที่เรากลับปาญหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันในสงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังคือจิตที่มันคิดมันเด็กพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังนิสตาเห็นสภาวะลง สภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาบขาดแล้วเข้ามาอยู่ตรงที่มาอยู่นที่เดืตัวใจเป็นกลางนั้นนะเดี๋ยวนี้เราทําเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางอีู่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางอีู่เออสมอและเสมอ ที่จะเอาชัยชนะใดก็เอาตรงนี้แหละตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะนนก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากที่เห็นตัวกลางจะมาอธิบายให้ฟัง อย่างใกล้ๆอย่างตื้อๆนี่แหละแล้วการลมหายใจจกพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจน่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกการลมหายใจน่ะนการพุ่งไปหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉย แปลว่าควารู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยเฉยจะมีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นเนะ่ะคือตัวจิตอันนจะไปตามเลยตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตในทุกเหมือนกับคนตามรอยงัวรอไปอนนะ ลอยเท่าคนยังไงจต้ดตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจริงจะเห็นตัวจิตตามเพื่อเื่อหมายผลมันตามลอยไม่เห็นตัวยังคอยตามไปเห็นแต่ลอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางกลางนี่ไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยวามนี่ ท่านเห็นตัวและแล้วคันนี้มันคิดแล้วคันนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันใส่มันวุ่นมันวายสารภาพทุกอย่างเจนตัวมันแล้วคันนมันออกไปจากนี้คิดนึก ส, งส่งใส่วุ่นวายสารภาพทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากและต้องไปตามมันตะกดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาไปกล้ายอย่างนี้แหละ หัดถ้ามันชำนี่ชํานานหัดมันคล่องแค่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามาัแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่หัดจนชำนี่ชํานานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามาชําละตรงนี้แหละเรื่องจิตเห็งเดี่ยงตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีเมื่อก็เฉยชำละตรงนี้แหละไม่ต้องไปชําละที่อื่นธรรมาจึงว่าของเก่า ไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งงวดหรือของภายในทั้งหมดของภายดอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาก็จะจะมนเทตนาของเก่าคิดคิดดูสิ น, นั่นมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไร น, นั่นไปไห น, นไปไปแนว เ, เก่านั่นแหละเรื่องเก่านะั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับาการทางาน คิดก bueno. ับบ anyway. ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมูกกับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังแตของเก่านั่นแหละเราชำระเราชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไงยังวาทำหลักทำมันมันคือว่าตัวผู้รู้ ผู้ที่เป็นกลางๆนันแะทุรูรู้เยู่นะให้มันมันม่นนั้นเป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชาระแล้วของเรานี้มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทําวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วโอ้ที่ตังค์เไม่จะยังก็ตังค์ก็ยังที่ท่านพูดอัะนจิตอื่นแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วทําหมดแล้วทําจิตเจตุร่าแล้วไม่ต้องทําอีก อันนั้นเป็นคนขี้เกียหรอกชอบใจเท่า น, นั้นความเป็นจริงท่านผู้อิเศษท่านไม่ได้ประมาณจะเป็นยิ่งนอนใจได้อย่างไงเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขี้เกียดที่การ ฟังทันพูดนั่งง่ายเหลือเกินในสังเรกตว่าผลนิพพานไม่ต้องทําอะไรจิตทัง้งมลงดละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่าวนี้อยู่ที่จิอย่างสมมติว่าในสําเรกตว่าผลนิพพานแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงหล่ะกันลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำํำเลย เราไม่คิดไม่นึกทางการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไรคนเรามัน <c oughs> เป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนค น, คนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังหน้าตา มันหมดทนทางมันมันถึงที่สุดแล้วกรหมดทนทางมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้าอาจมาอธิบายเอาเท่านี้แหละอัดสมาธิเรียกว่าอัรรมสมาธิภาวนา จะนั่งพับเขี่ยก็ได้แล้นั่งน้ยก็ได้แต่ทางาถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิคัดสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใดอหนึ่งเป็นอารมณ์จเจาพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยุบหนออพองหนอก็เอาหรือสมาหางก็เอา อันไดอนหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคํำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอานาปานสติไม่ใช่แต่อานาปานที่ลมหายใจก็บอกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมั น, นั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อม ในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นแหะที่ท่านว่าไปหายใจสั่นหายใจยาวอะไรต่างมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกอนั่นเอาไันเฉพาะนี่แหละตลงหายใจให้หายใจเข้าหายใจออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นแหะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายมันลงถึงความตายอนาภิษฎีลงถึงความตายเลย ทนมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องสั้งขาทั้งกายมหมดไม่รู้สึกอะไรนี้จะลมเท่านั้นน่ะลมนั้นก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงจังลมนี้นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวหนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกแบนี้พ <c oughs> ิจารณาเห็น พูดตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรขายนี่มันของแต่งของตายเดี๋ยวนี้มันก็ตีนตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกถ้ามันลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับศูนย์ไปมันก็เย็นมันก็ไปพบวงขึ้นมาม่อุ้นมาเดี๋ยวมันก็เปลือยเนา่าไป ลลายาไปมันก็ไปปินดินแล้วไปลงพุาาทธร์เลยมันเกินไม่เกินไม่จากไหนหรอมันก็ว่าจางดินน้ำไปลงตอนน่อธร์มาเลยหมดที่อนนาปารสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วฝ่ามันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยในหัดสมาธิต้องหัดอย่าง้ การว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิแต่อะไรกันพุทโธดีหรือวะอนาคาะติจึงถูกนิสัยเรื่อมั น, นาติจึงถูกนิสัยอะไรต่าอสุภากันว่าฐานยถูกนิสัยไปหาเมืองว่าแต่คนวัวหายถูกนิสัยของตนเลยไม่ถูกสักทีพิจาราปาสติจึงมัเสื่ อ, อาาง พอกรรมฐานอันควรลงความตายแล้วมดเท่านั้นเนยกรรมฐานทั้งกลวงหมดอยู่ที่ความตายอันลงความตายมันปล่อยวางมดุดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นี่ว่าเข้าถึงคงเป็นกลางคิดก็นิ่งแนวเป็นสมาธิ